ฟังทมกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติแล้วก็เราก็ได้ทมบัดในสาทยายทำจงเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นการมองกลับมาหาตัวเองหทนเราสวดเป็นไปคิดเป็นไปคิดคือผู้เห็นภัย ไม่ใช่เพศตัวสติตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นไัยเห็นภัยในวัฏสงสารไปมองตน <c oughs> การมองตนเนี่ยเป็นการตรวจสอบไม่ว่าอะไรถ้าเรามองถ้าเราเห็นก็เห็นตามความเป็นเท็จเป็นจริง ภาวะที่เห็นนเห็นทั้งของกิง่งเห็นทั้งของเทศเห็นทั้งความไม่เที่ยงเห็นทั้งความเป็นทุกข์เห็นทั้งความไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็มีอยู่ในตัวเรานี่แหละเราจึงมาดูโดยเฉพาะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่มองตนหรือเป็นภาคที่ลงมือทําเหมันเสมือนกับเราเดินทาง การเดินทางเราก็พูดง่ายๆว่าการเดินทางแต่ว่าการเดินทางมันมีอะไรอยู่ในการเดินทางมีมากมายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความร้อนความเบื่อความทุกข์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เดินทางแต่ว่าเขาก็ผ่านไปจนได้ความเมื่อยความล้าความร้อนความ ทุกอะไรต่างๆเขาก็ผ่านมันไปจนไปถึงจุดหมายปลายทางผู้ที่เดินทางก็จะต้องเป็นเช่นนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้มีสติมาดูแลตัวเราก็จะต้องเกิดการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเขาจะแสดงให้เราเห็นหมดเบื่อหมดเปือ่อหม ด, หมดทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องของกายเรื่องของกิตเราก็เห็นทำหน้าที่เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นแต่ว่าขอให้เป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ที่ดูผู้ที่เห็นอย่าเข้าไปเป็นกับเสียงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจทําหน้าที่ดูหน้าที่เห็นแล้วก็ประกอบสติไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่ายัง่ง ภาวะที่เห็นภาวะที่ดูภาวะที่เป็นสติมันจะเป็นพลังทาให้เกิดการเห็นการดูชัดขึ้นชัดขึ้นแต่พลังของสติไม่พอมันจะเข้าไปเป็นเป็นสูกเป็นทุกข์เป็นเบื่อเป็นอ ะ, อะไรหลายอย่างเพราะกำลังสติมันไม่มันไม่พอเหมือนน้ำที่มัน ไหลน้อยๆมันไม่สามารถที่จะพัดพาเอาเสียงโสโคกไปหรือมันตกลงมาเสียถนนน้ำน้อยๆฝนน้อยๆก็ทำให้เลอะเทอะไปทําไม่เพียงพอถ้าตกมากๆหน่อยมันก็ถนนก็สะอาดไม่ลื่นไม่แขะการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันพลังของความรู้สึกตัวนันเรียกว่ายานสติ ปัญญาญาณวิปัตสนาญาณอันทะลุทะลวงอะไรที่มันเกิดขึ้นมันทะลุทะลวงเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความคิดก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความทุกก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความเมือ่อคนเส้นความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวเพราะพลังแห่งความรู้สึกตัว มันไม่เป็นอื่นได้ว่าพลังความรู้สึกตัวมีน้อยน้อยถ้าสุขก็เป็นสุขถ้ทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเบื่อก็เป็นเบือ่อถ้าปวดก็เป็นปวดแต่หิวก็เป็นหิวทาร้อนก็เป็นร้อนมันพลังมันไม่พอัพก็เข้าข้างเข้าข้างความรู้สึกตัวแต่ว่ามันอาจจะมีมันอาจจะเกิดขึ้นขณะที่มันเห็นมันเป็นอะไรไปต่าง แต่ไปเธอเข้าไปดูไปเห็นแล้วก็แสดงว่าเสริมพลังให้พลังอาจจะได้จากภาวะที่ประสบการณ์เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์แล้วก็เราเดินแล้วเราตกลุมตกบอก่อประสบการณ์ของเท้าของขาของกมีการปรับตัวของมัน การปรับตัวมันสะดุดตัวก็เป็นการปรับตัวของมันเวลามันลืน่นก็เป็นการปรับตัวของเท่าของส่วนต่างๆทำาไมไม่หกไม่ล้มการปฏิบัติธรรมการจเจริญสติ น, นี่ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันจะปรับตัวอยู่เรือร่อยๆความรู้สึกตัวนะก็ให้เป็นเป็นจ ร, ริญสติลุน่นลุ่น ม, มีความรู้สึกตัวเกกับอาการสมาชาติต่างๆที่มันจะผ่านหน้าผ่านตาของเราเหมือนตาของเราเป็นน้าเราไปเห็นน้ำมันก็ไม่เหยียบน้ำเราเห็นตอเราก็ไม่เหยียบตอเราเห็นหลุมเห็นบ่อเราก็ไม่ตกหลุมตกบ่ออาจจะไม่ต้องมีใครมาบอกถ้าได้เห็นแล้ว ตาอย่างนั้นงูก็เป็นงูเห็นธนบ่าก็เป็นธนบมายโดยที่เห็นด้วยตา <c oughs> ก็ไม่มีคำถามการปฏิบัติทำในความันกันนั่นแหละเห็นกายแล้วก็ทำให้เกิดการเห็นจริงจการเจริญสติที่เราทำนะ่เป็นการสร้างให้เกิดความเห็น สร้างให้เกิดภาวะที่ดูที่เห็นแต่เป็นสายตาดวงตาตาเนื้อกับมองไปตรงๆมันจึงจะเห็นไม่ใช่มองไปข้างหนึ่งจะเห็นข้างหนึ่งมันก็ไม่ใช่สตใจถ้มันมองกายเันก็เห็นกายแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดกับกายเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอย่าหลงตรงที่มันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราดูกายกยเห็นเป็นกายเรือ่อยอไปกำนดรู้เรื่อยอไปกำนดรู้เรื่อยไปออกกายเป็นในมิตรออกกายเป็นที่อาศัยไปก่อนแม้จะเป็นเรื่องใดเรื่องใดที่มันเกิดขึ้นเราก็เพียนพยายามที่จะรู้สึกตัวเรื่องกายไปก่อนในรูปแบบอริบบทต่างๆบาาัพพาต่างๆผลิดขึ้นมาประกอบขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวมอาจจะได้เวลาที่มันหลงความรู้สึกตัวอาจจะได้ในเวลาที่มันทุกข์ความรู้สึกตัวอาจจะเกิดได้ในเวลามันเบื่อมันหน่อยมันเครียดอะไรต่างๆความรู้สึกตัวมันได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทําให้หลงสิ่งที่ทําให้ทุกข์มันก็จะมีคุณภาพในคุณภาพตรงนั้นด้วยอย่าปฏิเสธ ไม่ต้องด่วนรับไม่ต้องด่วนปฏิเสธความรู้สึกตัวมันเป็นมันมาเหนือเหนือเมันก็พูดวันก่อนมันมาเหนือเมฆถ้าจะเป็นการเจ็บก็อยู่บนความเจ็บขี่คอความเจ็บถ้าจะเป็นความปวดความเมื่ยก็ขี่คอความปวดความมื่อยถ้าจะเป็นความทุกข์ก็ขี่คออยู่บนความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์หยุดสูงกว่าเรา เรามีชัยภูมิที่ดีก็ในสติเป็นชัยภูมิที่ดีแต่เป็นนักรบก็ได้ชัยภูมิที่ดีเรามีโอกาสชนะได้ทุกกรณีถ้ามีความรู้สึกตัวเราจึงตั้งหลักตอนนี้ไว้ให้ดีๆก่อนเอาล่ะนะเราจะรู้สึกตัวยังไง ร, รู้สึกตัวนี้คายเคลื่อนไหวไปมา กำหนดลู่นะมันก็ไม่เป็นอื่นมันก็ลู่จริงๆว่าตัวที่ลูก่กิเลสที่ลู่มันก็มีอย่างจริงตามรูปแบบสมัญญบพะกายบพะตามหลักของสติปัฏฐานตามหลักที่หลวงปู่เทียนมาสอนในปัจจุบันในโอกาสนี้มันก็พอดีพอดีไม่ต้องไปสร้างเพิ่มไม่ต้องไปตัดออกก็ ก็ดูแล้วก็ได้ไต้ดูเรื่องนี้ได้ทําเรื่องนี้มันก็พอดีพอดีแล้ว14จังหวะพอดีพอดีสําหรับฝึกใหม่ๆเมื่อเราเดินเราจะฝึกให้เดินให้วิ่งให้นั่งให้นอนก็ต้องนั่งอันพอดีการนั่งเพรียบก็ต้องนั่งแบบนี้นั่งกัดสมาัิก็ต้องนั่งแบบนี้นั่งคุกเข่าก็ต้องนั่งแบบนี้อันพอดีแล้ว ว่าการฝึกก็ทําอย่างนั้นถ้านั่งพระเพียบนั่งแบบนี้นั่งไปนั่งไปมันก็ปรับตัวของมันแต่ก่อนนั่งใหม่ๆอาจจะเอ็นไปหลังงองเอลเอวคดโคดไม่ตรงเอ ว, เอวคดโคดงอ ง, ง, งไปแต่ถ้านั่งไปนั่งไปนั่งไปกว่าตรงได้ระว่างขาระหว่า ง, าางต้นขามันไม่ตึงมันพอดีมันฝึกได้การที่มีสติไปรู้สึกตัวเนี่ยมัน ได้พอดีพอดีไม่มีอะไรที่จะชอบทำไปด้วยเท่ากับความรู้สึกตัวความหลงไม่เป็นไปไม่ได้ไหนก็เรานั่งเราแก้งที่จะเอ็นไปข้างหลังมันก็ไม่เอาถ้าจะแกล้งที่เอนไปข้างหน้ามันก็ไม่เอาถ้าจะแก้งเอนไปซ้ายขวามันก็ไม่เอามันก็ต้องอยู่ในความตรงมันพอดีของมันแล้วความรู้สึกตัวมันก็ได้ความพอดีของคือความรู้สึกตัว เอาตรงนี้เสียก่อนสำหรับผู้ฝึกใหม่อย่าด่วนไปเป็นสุขเป็นทุกข์อย่าด่วนไปอยากรู้อยากเห็นอย่าด่วนไปหาเหตุหาผลอย่าด่วนไปเอาความชอบความไม่ชอบให้มีอะไรแบ่งปันหลายเรื่องหลายเหลา่าเซงขึ้นมาเซลขึ้นมาขี้ขึ้นมาเหมือนกับ ยติต่างๆที่ต่างคนต่างเห็นก็กแซลกันไปแย่งกันไปใหม่ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้งเรื่องของกายเรื่องของจิตใจมันก็มีมากแต่เราตั้งหลักดูท่าเดียวรู้สึกท่าเดียวเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสิ่งที่ทําให้เกิดรู้สึกตัวมันก็ไม่อยู่ประกอบเอาขึ้นมามันก็ใช้ได้จริงๆอริบทนะ์แนบัพพระแนวมันใช้ได้เวลาเราจะเดินมันต้องใช้เท้าเดินไปไม่ใช่คิดก้าวไปต่างหากไม่ใช่คิดแบบเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงแต่มันก้าวต่างหากที่ทําให้ถึงไม่ต้องไปใช่ความคิดไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผล ตัวภาคปฏิบัติขณะที่ก้าไปมันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็อย่าเอาความเหน็ดความเหนื่อยมาเป็นอุปสรรคในการเดินแต่ตั้งใจก้าวไปก้าวไปก้าวไ ป, ไปเรื่อยๆไปไปข้างหน้าเรื่อยไปการปฏิบัติทำก็มันก็กลบมาลู่กลมาลู่การกลับมาลู่เทนังการกลับมาลู่เทนั ง, น ม, นงมันก็เท่ากับ ผ่านจากความหลงไปแล้วมันมีความหลงขวางหน้าขวงตาความทุกข์วางหน้าขวงตาก็รู้จมันก็ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ไปแล้วผ่านเกี้ข้างกี่หนนผ่านกีข้างกี่หนแต่ที่มันผ่านมันก็มีความเข้มแข็งก็มีความคล่องตัวคล่องตัวขนาดที่มันผ่านถ้าไม่ผ่านมันก็ไม่คล่องตัวแต่ที่มันคล่องตัวก็เอาอริบบทเอารูปแบบมาช่วย เอากรรมมาช่วยกรรมต่างหากเป็นสิ่งที่บุกเบิกไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่จริตนิสัยแม้จะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตก็ไม่ใช่ไปแก้จริตตรงนั้นภาคปฏิบัติจริงๆมาเจริญสติมาเจริญสติโทสะจริตก็ไปไม่ร้าราคะจริตก็เพ่งอสุภะไม่ใช่ ทำมเจริญสติแน่นอนที่สุดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ต้องไปอะไรดอกเอากรร ม, มาฐานไอ้วิชากรร ม, มาฐานเป็นวิชาบุกเบิกเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องกรรมไอ้ใช่สอนเรื่องเทพเจ้าอะไรต่างๆอ้อนวอนไม่ใช่เอากรรมคือการกระทํารู้สึกตัวรู้สึกตัวไป ทำใหม่ๆนี่ก่อนที่จะรู้สึกตัวมันก็มีปัญหาเหมือนกันละเมื่อบ้างเครียดบ้างหดบ้างไม่ชอบบ้างหาสิ่งที่เปรียบเทียบบ้างคนที่ทำงานทำกันมันก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาถ้าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็แสดงว่าไม่ได้ทำงานถ้าไม่ผิดก็แสดงว่าไม่ได้ทำงานถ้าไม่มีผิดมีถูกแสดงว่าคนนั้นไม่ได้ทางาน คนที่ทำงานตรงไม่ไม่ถกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไมอ่อะไรต่างๆหลายอย่างความผิดก็ไม่ใช่แต่ทำให้เราเลิกทำงานทำการความผิดอาจจะเป็นครูปพร้อมๆกันโดยพอการปฏิบัติเดินไปตรงนี้หลยถ้าใครเดินเหตุไปเห็นกายก็แสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้า เห็นกายกายก็แสดงให้เห็นเรื่องของกายแสดงให้เห็นมันต่อไปเรื่อยๆห อ, อกเป็นเวทนาออกไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วไปเห็นวันคิดแสงหน้าแสงหลังก็แสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วเห็นธรรมที่เปิดเกิดตุวฉสนตัุศสเกิดขึ้นความงงเอาหรินอนความเมตเลสงสัยพยาบาท บางทีนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเกิดพยาบาทขึ้นมาใจเล่าเล่าร้อ น, อนเรื่องผิดผันไปแล้วก็เอามาคิดเรื่องเที่ยงไม่มาถึงก็ามาคิดมันอยากไปที่อื่นมันอยากไม่อยากอยู่ปัจจุบันต่อเพียพยายามดูมว่าทําที่มันคลอกงําแล้วก็เห็นเนี่ยไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วผูท้ที่เริยนสติปัฏฐานตามหลักกาย สติปัฏฐานสี่เนี่ยแสดงว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่มันเกิดความงงเองงาหอนอนก็แสดงว่าไปเส้นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ผ่านตรงนี้แหละความหลังเลงสงสัยเกิดขึ้นอ้าวไปทางเดียวกันเดีล้วพบเหมือนกันข้ามภูเขาลูกนี้เหมือนกันผ่านทางเส้นนี้เหมือนกัน ความง่วงเาเหานอนความมังเวสงสัยความคิดพุ่งสั่นปัจบาทถีนมิทธะนเนี่ยแสดงว่าไปทางเดียวกับพระพุทธเจา้าขอให้ยิ้มไว้เถอะแต่มันเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นขณะตัวจิตสติโ อ, อ้ถูกแล้วถ้าไม่มีอะไรเห็นถ้าไม่มีอะไรยากถ้าไม่มีอะไรได้ทํากับความยากความเพียรความถูกมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติ อต MM. kind of ิบัติมันก็คือโต้ตอบทัก hmm. ท้วงเปลี่ยนเปลี่ยนอฏิบัติคือเปลี่ยนล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนอะไรอะไรก็ตามเปลี่ยนมันเปลี่ยนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะความถูกมันคือความรู้สึกตัวเราสร้างสติมันต้องเป็นสติคือความรู้สึกตัวมันทุกข์ก็คือรู้สึกตัวนะ ทุกคนสุกคนผิดอะไรก็าตามคือความรู้สึกตัวหรือว่าปฏิบัติจิงเรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าต้องเข้าข้างความรู้สึกตัวหาวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวขนะที่มันเกิดอะไรขึ้นมาหาวิธีแล้วมันก็ไม่ต้องหาหายากประกอบขึ้นมา กม้ ม, ม, กมขึ้นมายกมือขึ้นมาเดินจงกรมขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาอโอกาสอันใดที่มันไม่เหมาะไม่ควรเช่นอยู่บนรถเมล์อยู่ที่ทํางานก็กระเด็กเที่ยวลงมาหายใจเข้าลึกๆ ล, ล, ลงไปรู้สึกตัวลงไปเอาไปมามันก็ชินมันก็เห็นทางพบทางมันก็เหมือนกับปัญญาเนี่ยนะเศรษมันก็เราทํางานทําการเมื่อมันเกิด อะไรขึ้นปัญหาอะไรขึ้นมันก็เกิดปัญญาตรงนั้นเกิดปัญญาตรงนั้นปัญหามันก็กลายเป็นปัญญาไปความทุกข์ก็กลายเป็นความไม่ทุกข์ไปย่าไปกลัวความทุกข์ลองลองดูถ้ามันทุกข์เรลองยิ้มหัวเราะความทุกข์มั่นใจถ้ามันหลงก็หัวเราะความหลงโดยเพราะความขี้เนี่ยมมันสุขสนที่สุดเลย คิดก็คิดเฉยมันก็คิดแล้วมันไปยอมโอเป็นโศกเป็นทุกข์ด้วยเป็นเบื่อเป็นกิเลสเป็นอะไรหลายอย่างเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงความหลงเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้เกิดจากการไม่ประกอบมันก็มีอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะมืดแปดด้านมันไม่มืดแปดด้าน้าแต่เรามีหลัก นีความรู้สึกตัวทำยังไงมันจึงจะมีความรู้สึกตัวก็ประกอบกา์ประกอบคือกรรมกรรมคือที่ตั้งประกอบลงไปตั้งไว้ลงไปทำลงไปนะนก็สนุกสนุกไปการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดเรื่องยุ่งเรื่องยากทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงทำอย่างโ น, น้นไม่มีประโยชน์เสียเวลาอย่าไปแบ่งอย่าไปพุ่มฝวย ปฏิบัติทำไมใช่เรื่องพุ่มเวยเป็นเรื่องน้อยๆแต่ไปเชื่อว่าฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้หราพุ่มเวยแล้วทําอย่างนั้นดีกว่าทำานี่นไม่ดีพุ่มเวยไปแล้วไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปใช้สมองใช้เหตุใช้ผล น, นั้นได้เอากรรมไปเลยเหมือนกับเราเป็นพระเป็นเจ้าไม่หมือนกับนกไปทางไหนก็มากนกบินไปได้จีวร ไม่กี่วัไม่บาดไม่พุ่มพ่วยการปฏิบัติมันหิ้วไปง่ายๆไม่พลงพลังนะการจเจริญสติจริงจริงไม่พลงพลังเลยง่ายง่ายอะไรก็รู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวก็อยู่กับหล่ไม่ได้ไปหาที่ไหนไม่ได้ไปสู้กับอะไรไม่ได้ไปลบเวลากับอะไร รู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวโอ้ยสนุกสนานมันเห็นของจริงเห็นของไม่จริงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจขณะที่เราปฏิบัติมันขณะอื่นมันไม่เกิดมันเกิดขณะที่เราปฏิบัติแท้ๆนี่แหละมันไม่เกิดที่ไหนดอกมันไม่ได้รับไปรีแต่เป็นตาเราก็เห็ขนขณะที่มันลืนตาอยู่นี่ อันไม่เห็นขณะที่เราหลับตาคนปฏิบัติก็เห็นขณะที่เราปฏิบัติความสุขความทุกข์ก็จะเห็นขณะที่เราปฏิบัติมันก็เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยแหละเราต้องไม่มีคำถามฉันทุกข์หรือเปล่า <c oughs> ฉันหลงหรือเปล่าฉันโกรธหรือเปล่าฉันยากหรือเปล่าฉันง่ายหรือเปล่าไม่ไม่มีคาถาม ต่หน้าต่อตาเราจริงจริงเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆรู้สึกตัวมันก็รู้ได้จริงจรขณะที่รู้สึกตัวประกอบปานสร้างสติอา้าวความหลงก็หมดไปมันทุกข์ขึ้นมาอีกเอารู้สึกตัวความทุกข์ก็หมดไปเอาไปมามันก็เหลวไหลทั้งนั้นอะไรที่มันยกไม่ขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ เห็นของจริงจริงแบบไม่จริงความทุกข์ก็ไม่อยู่จริงแต่มันไม่จริงความหลงก็เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่จริงสิ่งที่มันจริงคือความรู้สึกตัวลองดูลองความทุกข์เกิดขึ้นถ้ารู้สึกตัวดูสิความรู้สึกตัวจริงกว่ความทุกข์ เราก็ไปยืดเอาของที่มันไม่จริงว่าเป็นของจริงเป็นตัวเป็นตนในกายนี่ก็เป็นตัวเป็นตน้นถูกกายมันหลอกถูกกิจมันหลอกถูกเวทนามันหลอกหลอกให้สุกหลอกให้ทุกข์ไม่มีเหตุมีผลอัไรเลยมันก็หลอกให้สุกให้ทุกข์ได้บางอย่างบางอย่างมันก็ไม่บางอย่างมันก็มีเหตุมีผลเช่นยุงกิดมันก็เจ็บหิวข้าวมันก็หิว นื t t niet, had, ่อยเมืยละฝนตกมันก็เปียกแดดออกมันก e ็ร้อนรองฝนบางก็หนาวมันก็ยังบางทีเรายังไม่ทุกข์เลยเวลาเราเดินแฉีงฝนยังไม่ทุกข์เลยเวลาเราแดนเดินฉากตากแดดก็ยังไม่ทุกข์เลยแต่สาเหความคิดมันเกิดขึ้นเลยเฉยๆก็ไม่ทุกข์กับมันเน่าหัวโลมันน่าหัวโลมันน่า ปัดค้นเลยนะเราจะพูดแล้วว่าเราลุกไปปัดก้นปั๊บนิดเดียวเพื่อนผมบังพูเขาปฏิบัติธรรมนะการที่จะชนะจริงๆก็ชนะตัวหลงนี่แหละก็าไม่ไปลบไปลากับอะไรดอกการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปลบกับกิเลสตัณหาต้องอดต้องทนต้อ ง, อ ง, อ ง, องกัดฟันสู่ องไม่หลับไม่นอนไม่ใช่จะหลับลจะนอนจะยืนจะเดินก็นตามมาคืนหลงความหลงมันก็ได้หลงเวลาเรานอนความหลงก็ไม่ได้หลงเวลาเราหลับความหลงก็ไม่หลงความหลงก็หล ง, ล ง, ลงในเวลาเราทำอะไรมันหลงขนาดที่เราไม่มีสติยืนเดินนั่งนอนไม่เกี่ยวจะใช้รีบทแบบไหนไม่เกี่ยวมันหลงขนาดที่เราไม่ไม่มีสติ มันก็แช่นี่เองฉันนอนดูฉันจึงหลงฉันฉันอยู่ฉันจึงหลงไม่ใช่เลยแล้วก็ความรู้สึกตัวก็เป็นอากาลริโกไม่มีการด้วยความรู้สึกตัวไม่มีการจริงๆเป็นอากาลริกระทำอะไรก็รู้สึกตัวได้ในชีวิตแบบรู้สึกตัวไปกับอะไรๆก็ได้แหลม ลมรู้สึกตัวมันแหลมอย่าให้มันตู้บางทีลมหายใจก็ให้มันแหลมก็ไม่อย่าให้มันตู้ทีเรานั่งหายใจอาณาปนาสติเนี่ยแต่ลมหายใจมแหลมจะหายใจได้ยาวแต่ลมหายใจมันตู้จะหายใจได้ไม่ยาวไปไหมลองดูไหมแต่ตึ๊บก็ไปก็ไปไม่ได้แล้วสูดก็ไปไม่ได้อีกแล้ว แหลมลมหายใจในสูดก็ไปปล่อยออกมาก็ให้มันแหลมแหลมอยพุดธออกไปแล้วแหลมมันได้ยาวความแหลมมันสอดเข้าไปมันลึกซึ้งสติปัญญาของมันแหลมไม่ใช่มันตู้นะผมรู้สึกตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันหลงผมรู้สึกตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันทุกข์ผมรู้สึกตัวมันลึกซึ้งขนาดที่มันโกรธ อะไรก็ตามันแหลมเข้าไปไม่กระทบกระทือนความแหลมความคมเราจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญามันก็เป็นมันเป็นศีนละปะมันเป็นความแหลมความคมเป็นคมคว่ามีน้ำหนักมีคมแต่ไม่มีน้ำหนักน้ำหนักมีแต่ไม่มีที่ตั้ง มันก็ไม่ทําอะไรไม่สําเร็จเช่นเราไปฟันไม้ก็มีดกกนมันคมแต่มันไม่มีน้ําหนักมันก็ฟันไม้ไม่เข้ามีดที่มันคมไม่มีน้ำมันมีน้ําหนักแต่มันมีที่ตั้งเห่นเรายืนยืนแล้วก็ฟันลงไปเหมือนถึงศีลสมาธิปัญญามันมั่นใจวบบนั้นอ่ะมั่นใจเหมือนกับเราจับจอบยืน ขุดตินมั่นใจมากกับเราจับผวนยืนฟันไม้มั่นใจมากกับเราจับเม็ดยืนฟันไม้นั่งฟันไม้กิริยาที่ฟันไม้มันเดียวกันจับเหมือนกันฟันลงไปการปฏิบัติธรรมก็มีสูตรแบบนี้รู้สึกตัวไปกับกายก็มั่นอยู่ในตัวรู้สึกตัวใส่ใจรู้สึกตัวก็เป็นสมาธิแล้ว เก็มีสติอยู่ตัวเวลาไม่ได้หลงไปไหนก็เป็นศีลแล้วเวลาใดที่มันหลงก็มันนักแท่นลงไปไปเย็นความหลงเป็นความรู้มันก็เราฟันมีดขุดดินจับลงไปจังหวะเวียงลงไปมันเป็นปัญญาเราหัดขุดดินหัดฟันมีดมันก็ <c oughs> เป็นปัญญา เป็นในตัวก็ทำเป็นคนที่มีความรู้สึกตัวขณะที่มันหลงคนมีความรู้สึกตัวขณะที่มันทุกข์คนมีความรู้สึกตัวขณะที่มันเป็นอะไรอะไรก็ตามนั้นคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวอันนี้น่าการปฏิบัติเห็นก็เห็นเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องถ้าเป็นภาษาก็กายนวัตนาเรื่องของกายก็เป็นวิปัสนาแต่เห็นแล้วเห็นแล้ว ไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในกายเห็นเป็นกายทำความเป็นจริงเขาร้นเขาหนาวเขาโปวดเขามโวยเขาสุขเขาทุกข์แต่ว่าไม่มีเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้กายเป็นผู้ล้นผู้หนาวผู้กายแต่ว่าเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นนะนี่อันนี้เวทนากขบวนเกินเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ ลองดูลองดูตรงนี้ดูเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์ทำเป็นไหมตรงนี้ทำเป็นไหมลองดูแต่ว่ามันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไปมอมเมาตัวเองเฉยเฉยหรอกมอมให้ตัวเองเป็นสุขมอมให้ตัวเองเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เรามอมเมาตัวเอง ข่มขืนตัวเองให้มันสุกมันทุกข์หรอโอ้ยไม่ได้ข่มขืนตัวเองเลยบรรลุธรรมตรงนี้ได้เหมือนกันห้ามล่วงได้เหมือนกันเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปวิเศษวิโสโอ้มีฤทธิ์ี่ปฏิหารฤทธิ์ก็คือทําความหลงให้มันเกิดความรู้ฤทธิ์ก็คือทําความทุกข์ให้มันเกิดความไม่ทุกข์ฤทธิ์คือทําความโกรธให้เป็นความไม่โกรธฤทธิ์ ทำสําเร็จแล้วผ่านแล้วทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วลิดไปอย่างนี้ก่อนลิดไปนี่ก่อนเป็นศีลปกติได้สมาธิมั่นคงได้ปัญญาลอบลู่เปลี่ยนหลงเป็นลู่ได้นี่กคนลิดนะมันเราเดินทางเราเก้าไปเป็นเก้าไปเป็นสำเน็จความเหนื่อยความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปแล้วก็เราไปขึ้นเขาสีปทคุณพรดันนัยเขาบอกว่าตั้งแต่ผมขึ้นเขาสีปทะกลับมาอะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเลยลองดูซิอะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเลยพอเราขึ้นเขาสีปทะลงมา ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันยากลําบากมันทุกข์มันเหนือ่อยมันเหนือ่อยมันเหนือ่อยขึ้นสูงก็สูงไปตั้งแต่เช้ามืดกลับมาจนค่ามืดขึ้นสูงเก็บอกว่าเขาภูมิใจเขาว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยคําว่ายากคําว่าทุกข์ไง จะให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าขึ้นเสาเข า, เขาสีปทะไม่มีเลยในโลกเนี่ยเาว่าคนที่เคยสมบุกสมบืนคนที่เคยผ่านความยากลำบากผ่านความทุกขา์ามปัญหาต่างๆความทุกข์แท้ๆทำห้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าความทุกข์แท้ๆทำห้เกิดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาท ผู้ดใดเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจา้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้แหละธรรมมันเป็นกลางๆเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีอย่าไปติดสุขสุขทุกทุกปล่อยเลยพวกเราอย่ามาครอบตัวนี่ปล่อยเหนือสุขเหนือทุกผมรู้สึกตัวพอให้เราเหนือสุขเหนือทุก ามรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นบรรปลาคิดผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ามรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นพระเป็นเจ้าไม่ใช่รูปแบบอันไรการปฏิบัติเจริญส ต, ป ต, ติปฏิบัติตามพันธปฏิบัติตามธรรม สัตธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาพิจุ ต, ตพุพสสง์เกิดจากพระสัตธรรมในการปฏิบัติดีเป็นต้นสัตธรรมก็คือการเจริญสติเห็นความเท็จความจริงเรารู้สึกตัวเห็นของเท็จของจริงเราแสดงว่าถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างแสดงว่าเห็นสัตธรรม กิดกาดเกิดจากการพระสัตธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นปฏิบัติดีคือดีคือรู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวตรงไม่หลงไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์ถ้าไปสุขไปทุกข์ไม่ตรงก็มารู้สึกตัวก็มารู้สึกตัว่ตรงนั่นจึงทําลองดูประกอบลองดูฝ่าโลกความเรียนลองดูเมื่อเห็นอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวลองดู ความรู้สึกตัวนี่แหละน่ายน้อยความรู้สึกตัวนี่แหละมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวธรรมดามันจะเป็นญานเป็นฌานเป็นวิปัสนาญาณความรู้สึกตัวนี่เป็นวิปสัสนาญาณจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็คือความรู้สึกตัวพาาระอรหันต์ก็เป็นผู้มีสติเป็นหน้าโลกพรอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลกมาทาไหนก็รู้สึกตัวได้ าทางตาก็ารู้สึกตัวมาทางหูก็ารู้สึกตัวมาทางกลิตเขารู้สึกตัวมาทางเลี้นก็ารู้สึกตัวมาทางกายก็ารู้สึกตัวมาทางกิจใจที่มันคิดเนืกก้อเขรู้สึกตัวเพราหน้าโอกไม่เหมือนตาของเราที่มองไปข้างหน้าก็เห็นแต่ข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังแต่สติเป็นดวงตาสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเดีย๋ยว่าพระธรรม เราเราก็ให้อุ่นใจเธอการเจริญสติเนี่ยอุ่นใจอุ่นใจเราเจริญสติเราก็ดูแลตัวเราไม่มีอะไรอุ่นใจเท่ากับมาเรามาดูแลตัวเราไม่มีอะไรมั่นใจเท่ากับเรามาดูแลตัวเราไม่มีอะไรที่จะอุ่นใจเท่ากับเราช่วยตัวเราไม่มีอะไรที่จะอุ่นใจเท่ากับเรามาบอกตัวเราเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวผิดเป็นตัวถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุก เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันอุ่นใจที่สุดตรงนี้ตรงนี้มันสมนม้ำสมเนื้อสวมหลงเกิดขึ้นมาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มั่นใจสมน้ำหน้าความหลงสม น, มน้ำหน้าความทุกข์สมน้ำหน้าความโกรธถ้าได้เปลี่ยนเป็นตัวรู้สุดตัวแล้วสุดแล้วจบลงเท่านั้นแล้วถูกต้องที่สุดแล้วหัดทำตรงนี้อัดทำตรงนี้ไป อย่าเตลิดเปิดเพลืงไปทางอื่นอย่าสม <c oughs> สมุติอย่าบัญญัติสมมติบัญญัติเนี่ยก <c oughs> e ็ทำไมไม่เห็นเปรลมัตดสัจจะบางทีความโกรธก็เป็นสมมตินะความทุกข์ก็เป็นสมมุติความเลิกความชังยินดียินร่ายเป็นสมมุติสมมติเนี่ยฟังแต่ว่าสมมุติมันไม่จริงไม่ใช่ปรละมัดความหลงเป็นสมมติความรู้สึกตัวเป็นปรละมัดความโกรธเป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นเปรละมัด ปรามัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอย่าไปทิ้งปรามัดปรามัดคือเริ่มต้นจากการเจริญสติเนี่หละความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหลปะปลามัดถัดสภาวะธรรมสร้างขึ้นมา <c oughs> อย่าให้ความหลงมันหองชีวิตเรากอบกู้ชีวิตเราขึ้นมาโดยการเจริญสติการเจริญสติเตนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะอาบเหื่อไหลไขย่อยอะไรก็รู้ได้รู้เบาๆรู้นิ่มนวนลรู้ลึกซึ้งไปไปใช่เดินเหื่อไหลไข้ย่อยไปใจะนั่งหลังคนหลังงอเออิ่มกว ร, รู้สึกตัวไปอะไรก็ได้อาจนั่งอยู่เฉยๆรู้สึกตัวก็ได้เท่าจะรู้ง่ายก็กลับมาตั้งหลักจับฐานที่ตั้ง จะเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนกันวันนี้ก็สมควรใช้เวลาเราก็กับพระพ้อมกัน